กาวว่าพระรัตนตรัยพระพุทธประธานะสมขอโ <c oughs> อกาสคณะสน์แล ะ, ะคุณบาอาจารย์ทุกท่านขอจเจริญพงเม่ชียติโยมทุกทุกท่านครับมาทำสบายนะครับหลัง <c oughs> จากทางวัดเย็นเสร็จแล้วก็ ก็ทุกวันก็มีโอกาสได้ฟังข้อคิดชี้แน่การปฏิบัติธรมเพืพ่อประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเราทุกๆคนครับก็สำหรับวันนี้ก็จะโน้ตก็นิมนต์ธรรมะก็ <c oughs> ให้พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมก็งานปฏิบัติธรรมนี้ก็ <c oughs> ก็สํารวมกายวาจาใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจ ให้รักษาปับปุ่แก้ไขแล้วฝึกองอบรมทางกายทางวาจาทางใจทุกๆุกขน้นอะที่ไหนก็เรามีกายมีวาจามีใจทังสามอย่าง ก็เขียวกล้องกันการรักษาสิงก็เป็นเพื่อถืงกลางรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ทางสมาธิก็รักษาใจให้เกิดปัญญาเป็นไตรสิกขา การกระทำที่เราทำทั้งสามอย่างนี้ก็ต้นสนใจเพราะว่าเราก็ใช้กายใช้วาจาใจทุกๆเวลาทุกนาที โดยเฉพาะการเจริญสติที่เราทำกันอยู่ก็เขียวกองับกายเขียวกองับเรื่องจิตใจยกมือสร้างจังวะเดินจงกรมถ้าดูธรรมดาธรรมดาก็แค่เครื่องไว ทางกายอย่างเดียวแต่ว่าที่เราก็ทำใจด้วยให้มีสติทุกทีดทียบทตอนที่เดินก็รู้สึกตัวการเดินก้าหนึ่งก้าหนึ่งตอนที่ ยกมือซันจังวก็รอส้สกตั ว, วยกมืออามือลงก็พร้อมๆกันดูกายแล้วก็ดูจิตใจที่คือขึ้นอยู่ที่ใจ ตนที่เราพูดกับเพื่อนหรือว่าตนที่เกี่ยวข้องกันก็ใช่ว่าจะด้วยมีสติก็เราคู้ว่ากำลังพูด ทอนที่สวดมนต์ทางวัดเช้าทางวัดเย็นก็มีโอกาสที่ดีที่จะเจริญสติเพราะว่าเราก็บันทีก็ลืมตัวคำลังผู้อะไรคำลังสวดที่ไหนก็ จิตใจอ ย, ยไปไม่อยู่กับที่นี้ไม่อยู่กับปัจจุบันก็พยายามที่จะให้กลับมาอยู่กับการวาจาที่เราสวดกันอยู่ตอนที่เวลาทางเข้ากินข้าก็เวลาที่ดีก็รู้สึก ตัวงานกินเรารู้สึกสัมปัสกับเวทนาที่เกิดขึ้นว่าชอบใจไม่ชอบใจยินดีจินด้สึกทุกข์อร่อยไม่อร่อย เผ็ดหรือว่าหวานก็เราก็สัมผัสแล้วก็รู้ตัวแล้วก็จิตอะไรเกิดขึ้นบางทีก็ความโกรธความอยากความล้มก็รู้สึกไปเรื่อย นอกจากการดุนจองกรมสันจังวะก็เราก็ทำการบ้านเก่งขับถายหรือว่าอาบน้ำแทนฟันก็การที่ดีเราก็ รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ล้างจางขวาดใบ ไ, ไม้ก็รู้สึกตัวเป็นโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาทุกนาที ก็ให้เป็นนิสัยเป็นมีสติแล้วก็ก็มีใจเป็นปกติถ้าเรามีสติได้แล้วก็ มีใจก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ได้ก็ปฏิารมยึดมั่นถือมั่นจิตใจเป็นสมาธิส ง, งบเป็นธรรมชาติ ราม่ต้มบังครับก็ความสังอก็มาแอนสติก็มาเอน้านถ้าเราต้านใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นผมก็เป็นเพื่อที่เป็นเช่าขอนจิตใจ ไม่ได้เป็นธาตุของความคิดความหึ่งสร้างอารมณ์ต่นตๆนถ้าเราไม่ได้มีสติก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นธาตุของมันคิดอะไรก็ไปตาม อยากได้นี่อยากได้นั้นก็ตามตามมันจิตใจเราไม่สละียกว่าเป็นทาสแต่ว่าถ้าเรารู้เอาไปใช้เพื่อประโยคได้นี่ก็เป็นเป็นเจ้าของ ของจิตใจจิตใจเป็นรายละเอียดมากกว่าทางกายทางวาจาถ้าเราเรียนรู้เข้าใจรู้สึกตัวดูกายดูใจดูวาจาไปเรื่อย ก็รู้ว่าเราก็พูดคุยในใจตลอดเวลาสาร้างเรื่องสร้างอะไรต่างๆอยู่ที่จิตใจก็เราก็พูดกันมังความคิด ก็เป็นภาษาในใจาย์เราก็พยายามที่จะหารู้ว่ากำลังผู้อะไรในใจาย์พระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องวาจะที่เป็นสุจริตทันสิยาน ว่าจะเป็นตุจจริตั้งสีอย่างนี่ก็ตัดแสดงไว้เป็นอันทีหนึ่งก็เป็นไม่ผู้เท็จไม่พูดจริงพยายามที่จะเพื่อความจริง กตส่งน้่็ไม่โซเสียตามไรแตกแตกแยกกันคนนี้กับอนนั้นแล้วก็ให้พู้ ไม่สุภาพนี่ก็ไม่ดีเป็นวาจิตจริแล้วก็พูดที่ไม่มีประโยชน์นี่ก็วาจาที่ไม่สมควรพระเจ้าก็สองไว้ ให้เลือกผู้จริงผู้สุภาพเพื่อให้เพื่อนเพื่อนที่ทแตกร้าวกันให้เป็นเพื่อนกันดีทั้งระหว่างคนนี้คนนั่นงคนนั่งกับเราแล้วก็ให้มีผู้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ มันระวางกลนแต่ว่าเราก็ไปอยามที่จะเอาไปใช้ภาษาในใจที่เป็นความคิดความคิดก็เกิดขึ้นแล้วก็ราไมต้องพูดเท็จกับตัวเอง คือว่าเราก็ไม่มองเห็นตัวปิดตัวหารตัวไม่ได้ดูหรือว่ากดกดตันอันนี้ก็ว่าไม่ได้ดูจริง ภาษาที่เราพูในใจเป็นความคิดอะไรก็เราก็พยายามที่จะให้รู้จริงว่าพูอะไรคิดอะไรให้เป็นเจนนังก็อภิจานี่เป็นความหมายที่มาจากมอม ไม่เห็นสิ่งที่ไม่เห็นก็เลยไม่รู้ไอ้คำว่าวิปัสสนาก็ให้ดูดูกายดูวาจาดูใจก็เป็นวิปัสสนาให้ชัดๆ ด, ดูชัดๆ ก็ภาษาในใจก็ก็ไปยามดูชัดๆแล้วก็ข้อที่สองก็ให้เป็นภาษาในใจนี่ให้เป็นเพื่อนเป็นกังเอนได้เราไม่ได้แตกเล้ากันอยู่ที่ใจ สมมติว่าใจนี้ก็บางทีอยากจะทำโลนทาดูอย่างนี้อย่างนั้นเพือ่อประโยชน์ตัวชีวิตแต่บางทีเช่นเดียวกันเวลาเดียวกวันเราก็พราะไม่มีก้าหารไม่อยอมที่จะทํา เพราะว่าอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เจนเดียวกันเวลาเดียวกันแล้วก็วถ้าเรกลับตัวแอนจิตใจตัวแองว่าไม่ดีต้องทำอย่างนั้นทำไม่ทำไม่ได้ ก็แตกแล้วกันในใจแต่ว่าเราก็ให้ยอมรับดูว่าอ้อเป็นอย่างนี้จิตก็ทุกอย่างนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะทำก็เข้าใจให้ แล้วก็เราก็รู้ว่าบางคำผู้สามอีอานนี้ <c oughs> ก็อันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆราไมต้นทะลากันในใจก็พยายามที่จะเข้าใจก็ จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ก็มีพลังถ้าเราก็ทะเลาะกันในใจก็มันจิตใจมันเฮียวแหฮร์อ่อปล่ันเหมือนกับว่าเราก็ใช้ Break. เบรก แอคเซลคอนรถก็เยียบสอนอยานอันเวลาเดียวกันเอนจิ้ก็มีพลันแต่ว่าไม่ได้เกาหน้าข้างหน้าไปแต่ว่าหมดพลันมาก ใจก็เหมือนกันจิ ใ, นใจมันทะเลาะกันก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันก็หมดพลังใจพรังมากแต่ไม่ได้มีประโยชก็ให้เข้าใจตรนที่เราความโกรธเกดิดขึ้นกับตัวเอง กับเพื่อนก็จริงๆแล้วมีความหวานอยู่ที่ใจว่าอยากจะทำอย่างนี้อยากให้เราทำอย่างนั้นอยากให้เพื่อนทำอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ทำตามที่เราคิด ก็เลยจิตใจก็ใจน้อยลงให้ยอมรับใจน้อยลงใจน้อยใจหมดการันหมดบาลัน ก็ถ้าเราอยอมรับมันแล้วก็ไม่ต้องความกรธเกิดขึ้นได้ก็พยายามที่จะหายเป็นกังแองอยู่ที่ใจเราถ้าเราเต็มเพื่อนกับตัวแองเพื่อนกับความคิดของตัวเองได้แล้วก็ ภาษาด้านนอกออกเสียงแห่งความสามพังกับระหว่ังของก็ดีขึ้นเป็นธรรมธรรมชาติที่3ก็ให้ความผู้สุภาพผู้สุภาพสุภาพกับใจเราด้วย ไม่ต้องว่าด่าตัวเองว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีมังอารมณ์อย่างนี้ไม่ดีว่าด่าตัวเองก็หมดพลังหมดกำลังใจจิตใจก็เหี่ยวเหวใจน้อย ก็เราก็พยายามที่จะยอมรับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็จิตใจก็มีกำลังใจมากขึ้นมันกลับว่ารื้อร้องไห้เพราะว่ากำบนเพราะว่าเป็นความเพราะว่าความครัว ถ้าแม่ว่าตามลูกหรือว่าทิ้นลูกไปหนีจากลูกไปออกไปก็ลูกก็ไม่มีความโบพุนใจแล้วก็ร้องไห้มากขึ้นยี่เชื่อ เชื่อถือโลกไม่ได้ต่อไปว่าโรกมังคัวเรื่องจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราด่าตัวเองไปเรื่อยๆหรือว่ากดดันกดกีตัวเองว่าดา่าหรือว่าไม่ ทิ้งตัวเองก็ไม่มีความมั่นใจจิตใจก็หมดกำลังใจเสียใจไม่มีความอบเปืนใจ เชื่อเชื่อถือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เอาใจตัวเองได้แต่ว่าเราก็งันกับแม่ก็ห่มรูปตอนที่แม่แอตอนที่รูปร้องไห้ว่าดา ก็ยอมรับมันก็สบายใจลูกสบายใจจิตใจเราก็เหมือนกันว่ายอมรับมันเข้าใจใ่ไม่ว่าไม่ด่าตัวเองไปจะได้มีความสงบก็เกิดขึ้น แห่งสุขเซษมที่ใจจิตใจก็มีปลังกลับมานี่ก็เป็นที่สามแล้วก็ที่สีนี่ก็ให้ผู้ประโยคก็ให้เข้าไม่ต้องว่า ที่ไม่มีประโยชน์ในใจมันหมดพลัาหมดเสียเวลาไปเรื่อยๆให้เข้าใจให้เป็นบทเรียนจึงว่าแต่กอนี้ก็มีความทุกข์เพราะว่าทำกันไม่สำเร็จ ถ้าทำงานไม่สำเร็จแล้วมันมีสัญญาให้เกิดขึ้นเป็นภาพที่เราก็ไม่สำเร็จตัวว่าดาอาบเจ้าของบริษทรัทก็มันทุกใจแต่ว่านี้ก็เป็นเรื่องปัจจุบันนี้แล้วก็ยอมรับมัน ว่ารู้ตัวเป็นเช่นนั้นก็มีใจก็ไม่สบายก็ยอมรับมันเป็นเบตนาต่างไรต่างใจแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นบทเรียน เราไม่ตนเ อ, อ่อเจ็บตั ว, วเจ็บใจได้แล้วก็ให้ใช้ประโยคว่าตอนนั้นมันไม่สำเร็จเพราะอย่างนี้อย่างนั้นก็ต่อไปก็ทำอย่างนี้อย่างนั้นดีก็ความไม่สำเร็จเป็น ที่สาเหตุที่ทำให้สำเร็จได้ต่อไปก็เรื่องอนาคตรเราก็กำบลันใจมันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้เราก็ว่าในใจว่าสาเรื่องว่าเป็นฝันอย่างนี้อย่างนั้น มันจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอนาคตก็ทำลายเราก็เราก็กำลังพูดในใจในปัจจุบันนี้ขนาดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่อนาคตอดีตก็ทำลายเรา มืนกับว่าผังว่าบอกเราก็บอกนายใจว่าคนนี้ไม่ดีเราก็ทิดไปาว่าคนนี้ทำลายเราถ้าคิดอย่างนี้ในปัจจุบันก็เราก็เห็นว่าอ่า เขาทำลายเราจริงๆแล้วมันเขาก็ไม่ได้ทำลายหรอกที่ความคิดในปัจจุบันติดป้ายในปัจจุบันด้วยใจภาษาในใจเป็นความคิดก็ทำให้เห็นว่ามีด้านนอกมันทำลายเรามีคนนี้คนนั้นทำรายเราหรือว่าอดีตก็ทำลายเรา าคดก็ทำลายเรานี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นเข้าใจปิดถ้าเราดูกายดูวาจาดูใจโดยเฉพาะความคิดที่เราก็คิดเป็นสังการจิตมันปุ่นเต้น ไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ทำให้โรคทำให้เวลาก็ทำลายเราได้แต่เราเข้าใจแล้วดูแล้วก็ไม่ต้องสางเรื่องก็เป็นเจนนังเอ็มเป็นธรรมชาติ เราก็อยู่ชีวิตก็เป็นปัจจุบันขนณะปัจจุบันขนณะสร้างความเรื่องสร้างปัญหาอะไรต่างๆก็ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้สิ่งอะไรต่างๆด้านโน้ตำไรเรามีแต่เราความคิดนั่งเอน แต่เราก็ให้เข้าใจวิธีการที่เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นสันติวิธีไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำลายอะไรแต่ว่าเราก็เข้าใจเป็นปัญญาก็แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกำลังสติ ก็แก้ไขพังหาทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเราก็ดูโทรัทนะมันเป็นคนผู้ร้ายได้ยินกขาวว่าผู้ร้ายก็ ทำลายคนที่สนามบินอะเราก็ดูแล้วก็ก็อาจจะเป็นเกิดความกรดอาจจะเป็นความเศร้ามอนเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราก็ให้รู้ยอมรับความคิดความอารมณ์ต่างๆ เราก็ให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เราก็ถ อ, อคิดว่าหลอกนี่ย้งไม่ได้เป็นสมบูรณ์็นทุกสิ่งทุกอย่างดีนี่ไม่ได้ย้ำไม่ได้ แต่ว่าเรานั่นงแอมเป็นผู้ที่จะสร้างโลกให้เป็นโลกที่ดีเผยแผ่รธรรมะให้เข้าใจคนที่เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นก็โลกก็มีสันติภาพมีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสังคมเป็นความสงบสังคมมี ข, ข้าเราก็ไม่ต้องหมดกำลังใจตอนที่ดูตรรัตะให้เป็นพลังได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราให้ทำดีต่อไปได้ น, นี่ก็เป็นเจ้าของของจิตใจ แล้วก็เจ้าของที่สิ่ที่เกิดขึ้นปรากฏการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเราก็เลือกได้เลือกความดีได้เป็นธรรมบิชยะก็เป็นการเลือกความดี แอมพอจอนเจ็ดก็มีสติเกิดขึ้นแล้วก็มีนามาวิจยเกิดขึ้นเราคองคอเสือทำแล้วก็เลือกธรรมะที่ดีทางสัจธรรมทางความดีให้สมบูรขึ้นได้ ถ้ามีสติแล้วก็ธรรมบิจยะก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มีวิริยะความเพียงมีพิติมีสัพ ส, สติสมาธิอุเบกก็มาตามแอมเป็นธรรมชาติชีวิตของเรามีสติมีเลือกได้ สินที่ดีสินที่มีประโยชน์สินที่เป็นความจริงก็ชีวิตก็มีคุณค่าเกิดขึ้นแล้วชีวิตของเรามีค่าตัวตัวเองต่อเพื่อนเพื่อนต่อสังคมทั้โลกก็หน้าที่ของเรา ก็ไม่ใช่เป็นความหล่นในความทุกข์หล่นในความโกรนในความอยากหลน่นแต่ว่าเป็นฤกส์ศิษของพระพุทธเจ้าเราเองก็โชคดีสัมผัสกับธรรมะก็มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติ ที่มีประโยชน์ที่มีผลได้จริงจริงที่เพราะฉะนั้นนี่ก็เวลาที่เราก็มาอยู่ที่สุขตโตเป็นเวลาที่ดีในชีวิตของเรายา ก, กาท้าทายจริงจริง เราก็ตั้งใจจริญนชีวิตจิตใจของเร า, เาได้ต่อเนื้นก็เป็นประโยคชีวิตต่อไปแน่นอนเป็นชีวิตเป็นเลือกได้ชีวิตเป็นอยู่กับสัจธรรมอยู่กับ ความดีงามตลอดไปนะครับก็คิดพอสมควงแก่เวลาก็ขอจบเพียงแค่นี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีสติปัญญาให้เป็นบุงกุศลที่เป็นปัจจัย ที่ทำให้ชีวิตคนเร า, ามีคุณค่าช่วยหรือตัวเอนช่วยโลกต่อไปนะครับอจรมพองทุกๆตั้งนะครับ